อปสันนหินาธาสัสสานนสาทุสัมมเตอมนุเซหิจันเดหิสทากิภิสกาอังรีพีปังรีสานังจะตัสสานังอาหิงสายจักขุติยายังเทเสสิมหาเวิงโร ปังรีตังตังพัดนาไม่ วิปาสสิสาจันนามาตุจาคุมานตาสังสิงเรมาตัวสิกเฆสะปิจันนามาตุสาพะปัวตานนกัมปิโนอาเวสะปัวสะจนนามาตุนะฮาตักาสตปาสินโนอานามาตุกักุสันธาสัมมาระเสนาปมาทินโนโกนาขมะนาสะนามาตุพรหมลลาสังุสีมาตัวกาสะปาสสะจนนามาตุวิปม ปุตตสสะพัดิอังเคิรัสสะสนมาตุชาคยพปุตตาสสิรมัตโตยอิมังธรรมังเทเสสีสาปะทัวขะปนูธนังเยจ่าปิเนผูตาโลเกยทับผัวตังวิปัสสิสงแตชนาอภิสุนาธรมหันตาวตัสสักระถายตงเทวมนนสานางยังนามาสันติขวัตมัง เวชชาจารณสัมพันธ์นางมหันตังเวตารุทธังเอเตจันเยจะสัมพุทธาอเนกัสตาโกติโยสัพเพพุทธาสมมาสมมาสัพเพพุทธามเหิติกาสัพเพทสภพพลูเปตาเวสาราเชวุปาคตาสัพเพเตปฏิชานันติอาสพังฐานนโมตมางสีหนา a ทัง นาทันเตเตปันริสาสุวิสางกระธามพระมจักกลางปวะวตินติโลเกอปติวัติยางอุเปตาพุวธธรรมเมียธาตานรสินายกาพาติงสละทันุเปตาสิตาปพยันชนะทั้งราพยามาปภัยสัปภัสสพเพตมุนิกุลชะราพุทธาสัพพันยุโนเอเตส สัพเพกีนาสวัชินามหาปปะมหาเตชะมหาปัญญามหาภรามหากรุณาทีรกาสัพเพสานสุขาวาทีปานาทัปติปัสกาณาเลนาจปาณินางคติพันธุมหาสัสสันรนาจิเตสินโอสเทวกาสโลกาสัพเพเอ เปรยนาเเอสาหังสิระสาปาเทวันธามีภงริสวตกเมวจะสามนาสาเจววันทาเมเตตถาคเตศยเนาสเนธาเนขมเนจาปิสาปทาสธาสุเขเณรขันตุพุทธาสันติการาตุวังเตหิตวังราคิโตสันตัวมัวโตสับพะเพเยยิจสัพพังโก ตัวคาวินิมวตตัวสะพสันตาปาวัิตัวสพเวรธรรมเตกันตัวเนพุตัวจตัววังภระวเตสังสัจเจนะสีเลนะขันติเมตตาพเลงเตเปียมเหนุงราขันตัวอันรัเคนะสุเขนะเจปุงราทิมาสมิงทิสาภาเคสันติปูตามยติกาเตเปียมเหนุงราขันตัวอันร เคนสุเคนาจตทากินาสมิงติสาภาเคสันติเทวามาเหติกาเตปิอรรมเหนุกราคันตัวอันโรเคนสุเคนาจตปาชิมาสมิงติสาภาเคสันตินาคามาเหติกาเตปิอรรมเหนุกราคันตัวอันโรเคนสุเคนาจตวตังกราสมิงติสาภาเคสันติญาทามาเหติกาเตปิธรรมเห นุ่ราคันตัว a n d r o k h e ṇ a s u k h e ṇ จะบุงราธิเมนัทัตังราตัทากินเนนวิรุณกปัิเมนาวิรุปากวกูเวงรวอุตังรังทิสังจัตตานโตมหานราชาโลกปาลายสัสิโนเตพิอมเหนุงราคันตัว a n d ร o k h e ṇ a s u k h จะอากาศธาจะภูมิธาเทวนาค มาเหติกาเตปิอัมเหนุรักขันตอันโรเคนสุเคนจะหิติมันตัวจะเยเทววสันตานตาสเนเตปิอัมเหนุรขันตอันโรเคนะสุเคนจะสพีติโยวิวัชันตุสพันโรคนินัสตุมาเตภวตวันตรรายสุขีธีขายุโกภวอภิวาตนาสีเรสนิ จังวัวทานปัจจัยหนวจัดจางรัวทำมาวาทานที่อายุวันหนวสุขงังภาลัง